เชิญพระวจนะหัวข้อเต็มด้วยการขอบพระคุณพรวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิบสี่ถึงยี่สิบความว่าถึงกระนั้นก็เป็นความการุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้น มาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีคริสเตจใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสโลนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่าน ได้ผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ้นข้าพเจ้าได้รับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปารฟรดิตัสซึ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัด ท, ที่พวกท่านขาดอยู่ จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ขอให้พระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบสืบไปเป็นนิจอาเมนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการขอบพระคุณพระเจ้านะครับซึ่งคริสจักได้จัดไว้เนื่องจากว่าเป็น วันหรือเดือนที่ตรงกับเทศกาลแ n k s g i วิ n g ของสหรัฐอเมริกาและหัวข้อที่ผมนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้คือหัวข้อที่เรียกว่าเต็มไปด้วยการขอบพระคุณพระเจะของพระเจ้าที่ได้อัญเชิญมาแล้วนะครับอยู่ท่ามกลางพวกเราทั้งหลายในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องการขอบพระคุณพระเจ้าชีวิตแห่งการขอบคุณพระเจ้าที่เต็มไปด้วยการขอบคุณพระเจ้าของท่านอคาทูตเปาโล พี่น้องครับเวลาที่เราเห็นนกร้องเพลงไก่ขันในเวลาเช้าดอกไม้บานดวงอาทิตย์ขึ้นท้องฟ้าที่แจ่มใสหลายๆคนก็นึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างในขณะเดียวกันครับเราก็เคยชินและความเคยชินกับสิ่งต่างเหล่านี้ครับทำให้เราก็มองข้ามความสวยงามมองข้ามสุนทรษยีภาพ แล้วเราก็รู้สึกก็เฉยๆเพราะว่าก็ตื่นเช้าทุกเช้าก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นท่าทีแรกของการตอบสนองต่อธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างคือเกิดขึ้นมาตลอดเวลาและเราก็รู้สกชินนะครับแล้วเราก็เฉยแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะมีความรู้สึกว่านี่คือธรรมชาติที่เราจะต้องตระหนักครับตระหนักว่าธรรมชาติกําลังบอกอะไรกับเราอัครทูตเปาโรบอกว่าเมื่อเห็นธรรมชาติ ท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการทรงสร้างและในที่สุดท่านขอบพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าเราจะเป็นคนที่ชินและเฉยหรือเราจะเลือกว่าเราจะต้องเป็นคนที่ตระหนักถึงความสําคัญและรู้จักขอบพระคุณพระเจ้าประจักษ์ถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างและสร้างโอบนิสัยในการขอบคุณพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราชีวิตของเราจะเตยมเต็มเปี่ยมไปด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า พรจ้าของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมซุรีบทที่7ข้อที่สิได้บอกว่าข้าพเจ้าจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์และข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าผู้สูงสุดในพระคัมภีร์ใหม่ก็เช่นเดียวกันครับเราก็พบว่าอักขทูตเปาโลนั้นเป็นนักขอบคุณพระเจ้าท่านก็เขียนไว้ในพระธรรมโรมในพระันโครินเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสี เทโซนิกาทิโมธีฟิเลมูลรู้แล้วแต่มีข้อความที่ขอบคุณพระเจ้ามากมายนะผมยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมโกลสีบทที่สข้อสอบอกว่าท่านเขียนว่าจงเฝ้าระวังอยู่ด้วยการขอบพระคุณเฝ้าระวังหมายถึงอะไรครับหมายถึงตื่นตัวครับหมายถึงต้องระวังที่จะไม่ให้ขาดการขอบพระคุณพระเจ้าในโกลสีบทที่สองข้อเจ็ดในบอกว่าจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณนั่นหมายความว่า เติมเต็มชีวิตของเรานะครับให้เต็มไปด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าผมรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณซึ่งมีชีวิตของท่านนั้นส่งผลในการสร้างชีวิตของของผมด้วยอย่างมากมายท่านไปถึงไหนนะครับก็จะพูดภาษาจีนว่ากำเสียจู้กำเสียจู้แปลว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและพบกันนะครับประมาณว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านจะกล่าวคําเนี่ยนะครับ นี่ว่าเป็นสิบสครั้งเลยทีเดียวเวลาพูดคุยกับท่านขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเราจะเห็นว่าชีวิตของผู้ที่เต็มไปด้วยการขอบคุณพระเจ้านเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยพระพรครับพระมีต่อไปนะครับหนึ่งเทส ก, กาท่านขารทุกเปาโลก็ยังเขียนเหมือนเดิมครับว่าจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนี่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าในกรณีที่มีความสุขเราก็ง่ายต่อการขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าหากว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์ มีความยากลำบากเนี่ยมันจะขอบคุณพระเจ้าได้อย่างไรนะครับในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะนำมาถึงเรื่องราวในการขอบคุณพระเจ้าของหลายหท่านมีท่านหนึ่งครับชื่อว่าดรวิเทอร์ฟูลท่านดรวิเทอร์ฟูลนั้นเป็นประธานของวิทยาลัยนิวเจอร์ซีย์แนิวเจอร์ซีย์นั้นก็เป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยปรินซ์ตันนะครับดรจอนนี่มีบ้านพักอยู่แถบภูเขา โรกี้ห่างจากเหมาลัยนั้นเป็นเป็นระยะทางประมาณสองไมล์ทุกวันครับด็ออร์จนต้องขี่รถขับรถมานะครับไปที่เวียไลยเพื่อทําหน้าที่ประธานและก็เพื่อทําหน้าที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้กับนักศึกษามีวันหนึ่งครับเพื่อนบ้านของด็ออร์จอนนั้นก็วิ่งมาบอกกับด็ออร์จอนบอกว่านี่จอนคุณต้องมาร่วมขอบคุณพระเจ้ากับพวกเรานะ เพราะว่าอัศจรรย์มากเลยที่พระเจ้าได้ปกป้องคุ้มครองให้ผมเนี่ยนะครับได้แคล้วคลาดนะครับได้แคล้วคลาดได้พ้นทุกขเพราะเนื่องจากว่าตอนที่ผมขับรถมาเนี่ยลงจากเทือกเขาล็อกกี้เมื่อเช้าเนี่ยม้ามันตื่นแล้วมันก็วิ่งออกนอกทางนะครับตัวถังรถเนี่ยนะครับไปกระแทกอยู่กับโขดหินอย่างแรงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้รัอันตรายใดดรจอห์นบอกว่าขอบคุณพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันครับดร์จอห์นก็บอกว่า ผมก็อยากจะให้ท่านขอบคุณพระเจ้าร่วมกันกับผมเหมือนกันผมก็มีเรื่องจะขอบคุณพระเจ้าผมจะขอบคุณพระเจ้าในเรื่องที่ผมขับรถมาบนถนนสายเดียวกันกับคุณนี่แหละนะครับมากกว่าหนึ่งพันเที่ยวแล้วแต่มาของผมมันก็ไม่เคยตื่นและวิ่งออกนอกทางตัวรถก็ไม่เคยได้รับความเสียหายและผมก็ไม่เคยได้รับบาดเจ็บใดๆเลยผมก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันนะครับ แต่ทั้งสองคนขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าคนหนึ่งนั้นก็แคล้วคลาดปลอดภัยแต่คนหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับการปกป้องไม่เคยที่จะรับความทุกข์เลยเขาก็สํานึกในการขอบคุณพระเจ้าน่าสังเกตนะครับดรจอรเนี่ยไม่ได้เคยชินและท่านก็ไม่เฉยแต่ท่านเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตประจําวันของท่านการรับการปกป้องพี่น้องครับในชีวิตของพวกเราทั้งหลายก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งนี่นะครับก็อาจจะมีความทุกข์ยากลําบาก อยู่กลุ่มหนึ่งอาจจะมีความเจ็บป่วยอยู่นะครับได้สูญเสียบุคคลที่รักไปนะครับมีความทุกข์อาจจะเป็นมะเร็งอาจจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายต่างๆเหล่านี้ครับเราจะต้องเรียนรู้ในการขอบคุณพระเจ้าใ น, นาการเดียวกันครับถ้าเราอยู่ในความสะดวกสบายเรามีความสุขนะครับความทุกข์ของเราเนี่ยก็มีไม่มากมีน้อยแล้วก็มีความสุขใจสบายกายอยู่เราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเช่นเดียวกัน พระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีนะครับพระธรรมฟิลิปปีนันเป็นจดหมายฝากแต่ท่านอาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนขอบคุณพระเจ้าขณะอยู่ในคุกครับเพราะนั้นเราเรียกว่าเป็น prison epistle ก็คือเป็นจดหมายฝากจากคุกและนักวิชาการก็ได้ขนานนามพระธรรมฟิลิปปีนี้ว่าเป็นจดหมายแห่งการขอบคุณขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราจะสังเกตว่าการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยนะครับกับความเชื่อเนี่ยต้องเดินไปด้วยกัน หากเราไม่มีความเชื่อเราก็ไม่สามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในเวลาเดียวกันนะครับเมื่อเรายิ่งขอบคุณพระเจ้าความเชื่อเรายิ่งเกิดเพรา ะ, ะนั้นเราจะกลับมาดูว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีความเชื่อมากขึ้นเคล็ดลับก็คืออย่างหนึ่งนะครับประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องรู้จักขอบพระคุณพระเจ้า การขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มคูณเพิ่มเติมความเชื่อของเราได้เพราะว่าไปเป็นคู่กันน่าเสียดายครับลักษณะของคนยุคสุดท้ายอย่างหนึ่งนะครับได้บันทึกอยู่ในพระธรรมสอง ท, ทิโมธีบทที่สข้อที่สองนะครับก็คือการไม่รู้จากการขอบพระคุณพระเจ้าละเลยเพิกเฉยต่อการขอบพระคุณพระเจ้ามีผู้หนึ่งนะครับท่านเขียนอย่างนี้ครับว่า วิชาคณิตศาสตร์หรือเลขคณิตที่เรียนยากมากที่สุดก็คือการนับพระพรที่เราได้รับไปแล้วคณิตศาสตร์หรือเลขคณิตที่เรียนยากที่สุดนะครับคือการนับพระพรที่เราได้รับไปแล้ว The hardest arithmetic is to count our blessings เราไม่สามารถที่จะ น, นับได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามีมากมายมหาศาลเพรา ะ, ะนั้นจึงมีเพลงว่านับพระพรย้อนดูนับทีละอันครับ เมื่อเรามีความทุกข์ใจนะครับเราอยากจะเพิ่มพูนความเชื่อของเราเราก็ต้องหันกลับไปและนันพระพรของพระเจ้าค่อยๆนึกนะครับบางท่านอาจจะมีอายุมากแล้วเนี่ยนะครับก็นึกไม่ค่อยออกหรือจาไม่ค่อยได้แต่ผมเชื่อแน่ว่าเหตุการณ์สำคัญคญมากๆในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราคงจำได้แม่น และเราจะเห็นถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเห็นถึงการทรงนำเห็นถึงพระพรของพระเจ้ามากมายในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นหากเราอยากจะมีการพัฒนาฝ่ายจิตอิญญาเนี่ยต้องรู้จักนับพระพรและขอบคุณพระเจ้าให้ครบถ้วนในวันนี้นครับเราจะมาดูว่าเงื่อนไขที่เราจะทําสิ่งเหล่านี้นะครับในพระเจ้น้าของพระเจ้าได้สอนเราว่าอย่างน้อยเนะี่ยมีสีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขประการแรกอยู่ในข้อที่14ถึงข้อที่16 เพระจนัของพระเจ้านั้นได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าถึงกระนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นถึงแม้ข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสซาเลกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหน เงื่อนไขประการแรกที่เราจะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ก็คือว่าเราได้รับบางสิ่งบางอย่างเช่นความช่วยเหลือเราขอบคุณพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าประทานคนหลายคนในโลกนี้ครับที่ช่วยเหลือเราที่เกื้อกูลเราที่ทําอะไรให้กับเราเยอะแยะมากมายอาจารย์เปโลท่านรู้จักกับประชิญกับทุกๆุกสถานการณ์และพอใจที่จะอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าความพอใจของอาจารย์เปโลนั้นเขาไม่มีความทุกข์ยากลําบากเลยไม่ใช่ครับ อาจารย์ปลอยอมรับว่าเขามีความทุกข์ยากลําบากความทุกข์ยากลาบากนี่เกิดขึ้นจากการประกาศข่าวเประเสริฐความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นจากการที่ท่านถูกจําจองอยู่ในคุกเวลาที่เขียนจดหมายฉบับนี้ถามว่าท่านมีความชื่นชมดีไหมมีความชื่นชมดีครับแต่ท่านติดคุกและท่านพี่น้องคิดดูนะครับคนที่อยู่ในคุกนี่สามารถเขียนออกมาหนุนใจคนที่อยู่นอกคุกว่าจงชื่นชมดีอยู่เสมอเขาเจ้าขออนุญาตคำว่าจงชื่นชมยินดีเถิดถามว่าเขาชื่นชมดีได้เพราะอะไรครับเพราะว่า เขาได้ย้อนกลับไปในชีวิตของเขาเขาพบว่าพระเจ้าช่วยเหลือเขาเขาพบว่าพี่น้องฟิลิปปีช่วยเหลือเขาพี่น้องเทซุนกาช่วยเหลือเขาช่วยเขาในเรื่องอะไรบ้างช่วยเหลือเรื่องกําลังใจครับช่วยเหลือเรื่องซัพพอร์ตของการรับใช้การสนับสนุนการรับใช้ช่วยเหลือเรื่องเงินทองที่จะส่งท่านจามโบโลเดินทางเป็นค่าอาหารเป็นค่าใช้จ่ายในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องดูนะครับ ในภาพนี้นะครับเมืองฟิลิปปีนั้นอยู่ที่แคว้นมาซิโดเนียและพี่น้องจะเห็นครับเมืองโทอสนะครับเมืองเอเฟซัสนะครับเมืองโคโลสีพวกนี้อยู่ทางตะวันออกอาจารย์บาโลนั้นเดินทางจากตะวันออกนะครับที่ปาเลสไตน์ขึ้นมาทางซีเรียเข้ามาทางแฟว้นซีิเซียนะครับข้าวมาที่เอเชียไมเนอร์หรือเอเชียน้อยข้ามไปที่เมืองฟิลิปปีซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปนะครับจากไล่นะครั บ, จ า, รบจากขวาเนี่ยไปซ้ายเนี่ยนะ อเลสไทรซเรียซีเรเซียนะครับแล้วก็ข้ามไปที่เอเชียไมเนอร์ข้ามไปที่ยุโรปฟิลิปปีอยู่ที่แคว้นมาซิโดเนียซึ่งเป็นประตูเข้าสู่ยุโรปท่านอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งคริสตจักรของพระเจ้าเพราะวาเจาน้าของพระเจ้าได้กล่าวถึงพาดพิงถึงเมืองฟิลิปปีบอกว่าที่ฟิลิปปีนั้นมีมีนางลิเดียครับลิเดียนี่เป็นคนขายผ้าสีม่วง นารีเดียในที่นี้ก็สวยมากนะฮะสวยเกินความจินตนาการของเรานี่ยนี่เดียกับใจในกิจการบทที่สิบหกครับแล้วก็ขณะที่อาจารย์บาโลถูกขังคุกอยู่นะครับพระอัมพีกิจการบทที่สิบหกนี่นะครับก็ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่ในคุกนั้นได้เชื่อพระเจ้าจากสองเหตุการณ์เนี่ยนะครับเราเห็นว่าคริสตจักรเมืองฟิลิปปีเนี่ยก่อตั้งได้จากคนสองคนนี้นะเขคือนารีเดียและก็นางและก็นายคุกนะครับ สองท่านนี้หลังจากที่ <c oughs> ท่านได้ตั้งคิดจักรนะครับโดยความช่วยเหลือโดยการนําของท่านอคา ด, ดูเปาโลแล้วนะครับหลังจากที่เปาโลติดคุกคิดจักรเมืองฟิลิปปีเนี่ยก็ส่งเงินมาช่วยาจามเปาโลเรื่อยๆส่งคำหนุนใจบ้างส่งความช่วยเหลือบ้างส่งการสนทุนเรื่องการรับใช้ต่างๆบ้างจึงเป็นเหตุที่ทําให้าจามเปาโลบอกว่าขณะที่ท่านได้ทํางานของพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวท่านติดคุก ท่านเขียนให้ว่าไม่มีครจกักรใดมีส่วนกับข้าพเจ้าในรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นครับหลังจากเหตุการณ์เนี่ยอาจารย์บาโลติดคุกที่กรุงโรมคริสตจักฟรฟิลิปปีก็ส่งเงินทองมาช่วยเหลือส่งคนมาคอยปลนิบาดท่านกล่าวไว้ท่านเขียนไว้บอกว่าเป็นความโกโรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าพี่น้องครับเวลาที่เราจะร่วมทุกข์กับใครเนี่ยนะครับหมายความว่าเรา ส่งความช่วยเหลือเราส่งคำอธิษฐานเราส่งคําหนุนใจนะครับนั่นแหละคือการร่วมรับใช้และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาความสัมพันธ์ของอคาทูตเปาโลกับคิตจากเมืองฟิลิปปินส์สวยงามมากครับพเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คิตจากเมืองฟิลิปปินส์ได้มีโอกาสตอบแทนตอบแทนสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ทํากับพวกเขาผู้อดในหนึ่งก็คือว่าเปาโลนั้นได้ช่วย นะครับสิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณมอบให้กับคนฟิลิปปีครับในขณะที่คนฟิลิปปีก็ได้ช่วยอาจารย์บาโลด้วยวัตถุสิ่งของคําอธิษฐานเงินทองและการสนับสนุนทุกอย่างเห็นไหมครับพี่น้องครับมีความสัมพันธ์ที่สวยงามมากอาจารย์บาโลช่วยคนฟิลิปปีด้วยสิ่งฝ่ายวิญญาณนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนฟิลิปปีนั้นก็ช่วยนะครับอาจารย์บาโลทางด้านกายภาพพี่น้องครับการ รับใช้พระเจ้ามีได้หลายๆอย่างนอกจากการที่เราจะลงทุนลงแรงลงชีวิตของเรานะครับต้องเป็นบุคลากรเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่ว่าในตัวอย่างของเมืองฟิลิปปีนนั้นเขาได้ถวายทรัพย์ครับเขาช่วยเหลือในด้านงบประมาณเพื่อครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อชาวโลกช่วยนะครับหลายหลายครั้งทีเดียวเนี่ยก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์ที่จะกลับมาหาตัวเองแต่ว่าเมื่อคริสเตียนช่วย เราช่วยด้วยความรักและเราช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนการช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณนั้นจะเกิดขึ้นนะครับการช่วยเหลือฝ่ายวัตถุสิ่งของก็จะเกิดตามขึ้นลงตามด้วยเหมือนกันเราช่วยด้วยความรักของพระคริสต์ครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งเลยที่เราช่วยนะครับเราจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขท่าทีของเราในใจไม่ว่าเราจะช่วยด้วยแรงหรือช่วยด้วยเงิน หรือช่วยด้วยวิธีงต่างนะครับตรวจสอบแรงจูงใจท่าทีและเงินแ ข, ของเราว่าเรานั้นช่วยเพราะอะไรเพราะตัวเองหรือเพราะพระเจ้าเพระเาะฉจานันของพระเจ้าได้สอนว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็จงทาเสมือนทำถวายองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราควรขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่ว่าเราร้อมรอบด้วยคนที่พระเจ้าส่งมาช่วยเหลือเราครับ และคนเหล่านี้อยู่รอบตัวเราอยู่ในคริสตจักรของเราชีวิตเรานั้นจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นครับเต็มไปด้วยความห่วงใยชีวิตเราไม่ง่อยเหงาเพราะเราเพราะเนื่องจากคนเหล่านี้เราจึงได้รับการหนุนใจและการแล้วหล่มใจเงื่อนไขประการที่สองครับนอกจากการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าเพราะเราได้รับเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะเราได้ให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะเราได้ให้ครับชีวิตของเรา สามารถช่วยคนอื่นได้ขอบคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าขอบคุณมากกว่าเพราะว่าพระเจ้า้ของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับการรับนั้นทําให้เราขอบคุณพระเจ้าแน่นอนครับการให้ทําให้เรายิ่งขอบคุณพระเจ้าได้อย่างได้อย่างมีมีเนื้อหาและมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะเราได้ให้ ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถให้คนอื่นได้ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีความรักที่ล้นไหลออกมาจากชีวิตของเราและสามารถให้กับคนอื่นได้ท่านอัครทูตเปาโลนั้นเป็นผู้ที่รับความช่วยเหลือจากฟลิปปีนะครับและคึ้จากฟลิปปีนั้นก็เป็นผู้ให้และตรงนี้นี่เองทําให้จันเปาโลอัครทูตเปาโลเขียนจดหมายไปหนุนใจครับอยากให้ฟิลิปปีนั้นทราบความจริงก็คือว่าการให้ของเขาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการให้ด้วยการอธิษฐานเผื่อ ให้ด้วยการ ส, ารสนับสนุนให้ด้วยการเงินทองถวายเงินทองนั้นนําผลที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นฝ่ายวิญญาณนะครับนำนำผลกําไรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นฝ่ายวิญญาณถือว่าเลยครับถือว่าสิ่งที่คริสจักฟิลิปปีส่งให้กับจานเปโลนั้นเป็นการลงทุนฝ่ายวิญญาณและผลกําไรนั้นจะกลับเข้าสู่บัญชีของคริสจกักชาวเมืองฟิลิปปีพี่น้องครับตรงนี้นี่ผมได้บอกไปแล้วนะครับ การให้การสนับสนุนการทำอะไรหลายอย่างที่ดีๆนั้นไม่ใช่เพราะเราคนเดียวเพื่อเราคนเดียวหรือผลประโยชน์ของเราคนเดียวแต่เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมก็คือคขึ้นจักรของพระเจ้าในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าได้กว้างไกลยิ่งขึ้นในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าให้สิทธิในการถวายการรับใช้ถวายทรัพย์ นะครับถาวายการสนับสนุนก็เพื่อประโยชน์ของเราครับยิ่งเราถาวายสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่เราก็จะได้รับประโยชน์นะครับอันนี้หมายถึงว่าพวกเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์มากเท่านั้นทั้งฝ่ายงานจิตวิญญาณและฝ่ายสิ่งที่เป็นกายภาพประการที่สองครับอาจารย์เบโลได้สนับสนุนอยากให้เราเป็นผู้ให้เพราะ สิ่งนั้นทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเมื่อไหรก็ตามที่คริสจากฟริ ป, ปีส่งของฝากอาจามาโลไม่เพียงแต่ชื่นชมินดีแต่าจามาโลก็ถวายเกียรติพระเจ้าขอบคุณพระองค์และการที่เรารู้จักขอบคุณพระเจ้าก็ทำให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้สิ่งที่เราให้ออกไปนะครับเราจะทาให้พ ร, พระเจ้าพอพระทยัย พูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่าเราจะทําให้พระเจ้ายิ้มนะครับประการที่สมครับการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงแสนดีในข้อที่สิเก้าถึงยี่สิบทำให้เรารู้ว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าแสนดีในการดําเนินชีวิตของเรานะครับในการรับใช้พระเจ้าเราต้องการหลายสิ่งหลายอย่างทางวัตถุแต่ความต้องการเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มโดยคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาจากพระเจ้าครับ เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมและบังคับบัญชาพระพรนะครับเพราะฉะนั้นเองผู้ที่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าสูงสุดนอกจากผู้ที่ให้เราแล้วนะครับก็คือพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่บังคับบัญชาพระพรอยู่บนบนที่ที่สูงที่สุดพระเจ้านั้นทรงบริบูรณ์ด้วยสิ่งสารพัดคลังของพระองค์ก็เต็มไปด้วยทรัพย์รุ่งเรืองพระเจ้าเทนะครับพระพรของพระองค์ บริบูรณ์มากมายในองค์พระเยซูคริสต์ให้กับคนที่แสวงหาพระองค์และคนที่รักพระองค์มัทธิวบทที่6กข้อสาสิบสาหลายท่านนะครับคุ้นเคยมากจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพี่น้องครับเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์น้นพระเจ้าจะทรงประทานพระพรของพระองค์พราะว่าพระเจ้าประทานพระเจ้าบังคับบัญชาพระพรครับด้วยเหตุนี้ขอให้เรานั a นจะดําเนินชีวิตด้วยการขอบคุณพระเจ้านะครับ มีคนเขียนอย่างนี้นะครับว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณผมอยากจะย้อ น, นะครับว่าประการแรกก็คือเพราะมีหลายคนช่วยเหลือเราประการที่สองก็คือเราได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นและประการที่สมก็คือพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะประทานสิ่งที่เราต้องการมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งครับเขาเล่าอย่างนี้มีคริสเตียนชายหนุ่มคนหนึ่ง นะครับในแต่ละวันเนี่ยก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆ ก, กรณีเลยนะครับมีวันหนึ่งครับขณะที่เข า, าตื่นขึ้นมาเช้านั้นเป็นเช้าที่สดชื่นแจ่มใสมากครับคอยป้ายรถเมย์ก็ไม่นานรถเมย์ก็มานะครับเมื่อขณะที่เล่นเข้าสู่ตัวเมืองผู้โดยสารก็เริ่มมากขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งครับรูปร่างฉูกเลยนะครับผมเผผากระเซิงเนื้อตัวก็เหม็นสาบก็มานั่งอยู่ข้างๆชายหนุ่มผู้นี้นครับเขาก็ หันหน้าไปออกหน้าต่างเพื่อที่จะสูดลมที่มาจากหน้าต่างนะแล้วก็เอ๊ะผมจะขอบคุณพระเจ้าได้ยังไงนะวันนี้ได้มานั่งอยู่กับผู้หญิงนะครับที่มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็นั่งเบียดผมอีกเขาก็คิดไปคิดมาหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกแต่นี้สุดเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ครับขอบคุณพระเจ้าที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ภรรยาของผม เขาก็หาเหตุขอบคุณพระเจ้าได้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่อีกไม่กี่นาทีผมก็จะถึงที่ทำงานแล้วและไม่ต้องทนอยู่กับเธอตลอดไปเนี่ยครับพอเขาขอบคุณพระเจ้าปั๊บเนี่ยความชื่นชมดีก็ท่วมท้นจิตใจของเขาทำให้ที่เหลื อ, อไม่กี่นาทีเนี่ยเขามีความสุขได้ในภาษาฮีบรูนะครับมีคำอยู่สองคำครับคาคาแรกเนี่ย ก็คือคําว่ายาดายาดานี่นะครับเป็นชื่อผู้หญิงเนะี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อยาดาครับนกะ็หารู้ไม่ว่าเป็นยาดานั้นเป็นคําที่ดีในภาษาฮีบรูนะครับยาดานี่แปลว่าเพรสแปลว่าสรรเสริญแต่ว่ายาดานั้นแตกต่างจากคําอีกคำหนึ่งครับคําคํานี้ก็คือว่าภาษาฮีบรูว่าโธดาโธดายาดากับโทดานี่ต่างกันนะครับ ยาดาเนี ada, ่ยเวลาเราไปฟังคอนเสิร์ตนะครับคนเล่นดนตรีเนี่ยเล่นได้ดีมากเลยทุกคนก็ปรบมือแล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วก็ยกมือนะครับยกมือยกมืออันนี้ก็คือการการสรรเสริญการการเ le รียกว่ายกย่องนะครับยกย่องยกย่องว่าโอ้โหคนคนนี้เนี่ยเล่นได้ดีมากร้องได้ดีมากทีเดียวอันนี้ว่ายาดาแต่คํำว่าโทดาเนี่ยครับก็คือการยกมือเหมือนกันแต่เป็นการยกมือเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นครับเนี่ย การยกมือตรงนี้เป็นภาพของการเหยียดแขนออกและการยอมรับนะครับเป็นการถวายเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญเป็นการสารภาพบาปเป็นการขอบพระคุณเป็นการโมทนาพระคุณเป็นการขยายนะครับเป็นการโมทนาคุณเป็นการถวายเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับถ้าหากว่าเราเข้ามาในพระเนื้อของพระเจ้าขณะที่เรากาลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่หลายหลคนบางคนนะครับก็ยกมือขึ้นมาไม่แปลกครับ เพราะาอะไรครับเขากําลังทําโชด้าก็คือการยกมือสรรเสริญพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นในพรระธมใ น, ใ น, ในมภาษาฮีบรูเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยได้มีโอกาสาทําทําโชด้าเพื่อที่จะสารภาพบาปสรรเสริญและมอบถวายในบริบทของคนไทยนี้นะครับเราก็ไม่ได้ยืนเฉยๆเวลาที่เราอธิษฐานนะครับ แต่เราก็ยกมือพนมเพื่อที่เราจะเป็นการแสดงของอาการกิริยาของการการอธิษฐานวิงวอนการภาวนาเช่นเดียวกันครับเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับวิธีการยกมือในการสรรเสริญพระเจ้าแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในพระคัีเดิมนั้นนะครับมีคําว่าโชด้านี้อยู่เพื่อที่อธิบายว่าเป็นการดีที่เราจะขอบคุณพระเจ้านะครับสรรเสริญพระเจ้าด้วยการยกมือของเราเช่นเดียวกัน รูปแบบของการสรรเสริญพระเจ้านั้นเป็นการกล่าวถึงการกระทำที่สมควรต่อพระเจ้าเพราะพระวนจะนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและด้วยเหตุนี้เองนะครับสุตติบทที่ห้ิบข้อย3านะได้บอกว่าผู้ถวายบุคคลที่นำการบรรณาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการะบูชาก็ให้เกียรติแก่เราเราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้อง พระิกตอนหนึ่งสุดีบทที่หนึ่งอยข้อที่4บอกว่าจงเข้าประตูของพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์การขอบพระคุณพระเจ้านะครับในภาษาไทยเราก็จะคุ้นกับคําว่าการสรรเสริญหรือคําสรรเสริญนะครับแต่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าจงขอบพระคุณหรือการสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าในทุกๆกรณี เพราะฉะนั้นหัวข้อสุดท้ายนะครับคือประการที่สี่ในวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยต่อการขอบพระคุณครับเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ขอบพระคุณพระเจ้าเท่าที่ควรหรือเท่าที่ควรจะเป็นมันจะทําให้เราเนี่ยห่างจากความเชื่อเพราะผมบอกแล้วนะครับว่าความการขอบพระคุณพระเจ้ากับความเชื่อต้องไปคู่กันถ้าเราลดการขอบคุณพระเจ้าลงความเชื่อเราก็จะลดลงครับ นะฮะแต่ถ้าเราเพิ่มความการขอบคุณพระเจ้าขึ้นมาความเชื่อเราก็จะขึ้นมาอันนี้คือการแปลตามกันหรือการควบคู่กันพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันในทุทกๆเรื่องนะครับเราขาดไม่ได้ที่จะขอบคุณพระเจ้าและโมทนาพระคุณของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดํารงอยู่เป็นนิจเพราะพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าให้เราบริบูรณ์นะครับบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณเพราะฉะนั้นการไม่ขอบพระคุณอันตราย อันตรายยังไงครับในพระธรรมเยเ ร, รมีบทที่7ถึงบทที่9นะครับถ้าพี่น้องกลับไปเนี่ยมีเวลามีโอกาสอ่านเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าอันตรายจากการไม่ขอบพระคุณมันเกิดขึ้นครับผมอยากจะยกข้อพ้องผีข้อหนึ่งในข้อที่13นะครับของเยเรมีบทที่8เราจะเห็นถึงการอันตรายถึงการไม่ขอบพระคุณเยเรมีบทที่8ข้อที่13ครับพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเรารวบรวมเขา ก็เห็นว่าเขาวงงุนไม่มีผลหรือมะเดื่อไม่มีผลถึงแม้ว่าใบก็เหี่ยวแห้งไปและสิ่งใดที่เราให้เขาก็อันตรทานไปจากเขาพหุปีข้อนี้สำคัญและมีประเด็นครับก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชนชาติอิสราเอลเนี่ยนะครับหันจากพระเจ้านะครับและเขาไม่ได้มีชีวิตแห่งการขอบคุณพระเจ้า ซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยตั้งใจฟังคําอธิษฐานของเขาพระเจ้าตั้งใจฟังคําขอบคุณพระเจ้าของพวกเขาถามว่าทําไมพระเจ้าต้องการให้เราขอบคุณพระเจ้าครับเพื่อที่เราจะได้รับพระคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่พระเจ้าจะเพิ่มพูนความเชื่อของเรามากขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเขากลับงอลิ้นนะพระผีใช้คําว่าเขาทั้งหลายงอลิ้นของเขาเหมือนคันธนูนะนี่คือสิ่งที่พระผีได้พูดไว้พี่น้องครับ อันตรายจากการไม่ขอบพระคุณทําให้เราห่างจากพระเจ้าชีวิตตกต่ําครับชีวิตตกต่ำเพราะอะไรครับเพราะเราจะทําบาปมากขึ้นมากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตเราอาจจะไม่รู้สึกตัวเราก็ไม่ละอายต่อความบาปและเราถลำลึกและเราในสุดก็ปฏิเสธการทรงนําของพระเจ้าได้ด้วยเหตุนี้ครับเราจะต้องไม่ละเลยในการขอบคุณพระเจ้าเราไม่รู้สำนึกเหตุการขอบคุณพระเจ้าพระพรจะอันตรธานหายไปจากชีวิตของเรา อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายได้รู้ว่าเราต้องไม่ขอบคุณพระเจ้าไม่ลืมที่จะขอบคุณพระเจ้านะครับในอีกสองสัปดาห์อาทิตย์หน้านะครับสองสัปดาห์หน้าจะไดะ้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องว่าค o r ู u c o p i a of blessing Cornucopia of blessing นั้นก็มีความหมายว่าความเหลืองอารามแห่งพระพรนะครับซึ่ง เป็นประเพณีของชาวตะวันตกนะครับเขาใช้ว่าค o น n u c o p ีย of Blessing นั่นคือการนับพระพรนั่นคือการนับพระพรเพราะฉะนั้นอีกสองสัปดาห์ครับพี่น้องครับเราจะได้มาแบ่งปันและได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าชีวิตเรานั้นต้องอย่าลืมขอบพระคุณ ชีวิตเรานั่งต้องมาถึงจุดที่อย่าลืมขอบคุณและเราจะต้องสร้างนิสัยแห่งการขอบคุณให้เป็นนิสัยติดตัวเป็นอุปนิสัยที่สำคัญมากๆในชีวิตของเราคำถามก็คือว่าแล้วคนที่ป่วยหนักคนที่เป็นมะเร็งนะครับคนที่คนที่เจอกับความทุกข์ยากลำบากเขาจะขอบคุณพระเจ้าได้อย่างไรมีพ้อคัมภีร์ข้อหนึ่งครับซึ่งอยากจะมอบให้กับท่านซึ่งเป็นข้อมีที่เราคุ้นเคยมาก ที่จะทำให้เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้เพราะขั้มผีข้อนี้โรมบที่แปดข้อย2่ครับพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งจากพ่อคั้มผีข้อนี้นี่เองนะครับทำให้เราสามารถที่จะมองทะลุความลำบากของเรามองทะลุโลกร้ายที่เราเป็นอยู่มองทะลุความทุกข์ยากที่เราได้รับอยู่เราเห็นถึงสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ซึ่งเป็นผู้ที่รักพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนพระเจ้าจะพลิกให้กลายเป็นสิ่งที่ดีในทุกๆอย่างแห่งความทุกข์ของเราในทุกๆอย่างแห่งความทุกข์ของเราพราสังเกตว่าในทุกๆบทในทุกๆแชปเตอร์ของความทุกข์ของเราพระเจ้าจะเปลี่ยนให้เกิดผลดีในทุกสิ่งทุ ก, ทกอย่างเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งการขอบคุณพระเจ้าสําหรับที่จะพัฒนาและพี่น้องที่มาร่วมนับสันกับเรา ผมอยากจะขออนุญาตให้การบ้านพวกเรานะครับเราน่าจะหากระดาษที่สวยๆนะครับหรือจะเป็นบันทึกอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยอยากจะให้เอาเขียนนะครับรายการการขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งนะฮะสักสามอย่างอย่าให้ซ้ํากันเราทั้งเดือนเนี่ยนะครับเราก็จะได้เกือบร้อยอย่างเลยครับนะครับ ถ้าท่านมีมากกว่านั้นก็เขียนให้ครบร้อยเลยนะครับว่าเราจะมีเรื่องอะไรขอบคุณพระเจ้าบ้างขอบคุณพระเจ้าบ้างขอบคุณพระเจ้าร้อยอย่างหลังจากนั้นนี่เราก็ติดที่ข้างฝานะครับแล้วก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเราพระเจ้าได้ทรงประทานพระคุณมากมายนะครับสุดท้ายครับก็คือว่าอย่าลืมขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันถวายตัวรับใช้พระองค์เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะนํามาถวายได้อย่างสมควรนอกจากชีวิตนี้ที่มีอยู่ ไม่มีอะไรที่เราจะนำมาถวายนะครับด้วยจิตใจด้วยหัวใจขอบคุณพระเจ้าได้อย่างสมควรนอกจากชีวิตนี้ที่เรามีอยู่ขอบพระเจ้าอวยพ ร, พรทุกท่านอาเมน